วันนี้เป็นวันศุกร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2560เป็นวันที่สองของวันหยุดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราจึงมีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานทำการ เลยใช้เวลาที่มีอยู่นี้มาทำคุณทำประโยชน์ให้กับชีวิตของพวกเราสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้ดีขึ้นมีความเจริญขึ้นไปสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้น ก็คือการมาสร้างบุญบารมีต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้เคยสร้างมาจนทำให้พระองค์ได้บรรลุ ถ, ถึงความเจริญขั้นสูงสุดที่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายสามารถที่จะเจริญได้ ก็คือการได้บรรลุเป็นพระอระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้เป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เกิดจากการคิดถึงมันเพียงอย่างเดียวนอกจากคิดถึงการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว อย่างจำเป็นที่จะต้องมีการกระทำเหตุที่จะทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าเพียงแต่ฝันเพียงแต่คิดแต่ไม่มีการกระทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาผลก็จะไม่เกิดอย่างชาวนาชาวไร่ถ้าฝันเพ้อฝันคิดว่าอยากจะมีสวน มีผลไม้มากๆาและมีข้าวมากๆแต่ไม่ลงมือทำการปลูกต้นข้าวปลูกต้นผลไม้ต่างๆผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพียงแต่คิดเฉยๆเพียงแต่อยากได้เฉยๆผลจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการกระทำ ผลที่พวกเราปรารถนากันก็คือความสุขมากขึ้นความเจริญของจิตใจให้สูงขึ้นก็เกิดจากการสร้างบุญบา ร, รมีนี่เองบุญบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างไว้ก็มีอยู่สิบประการคือหนึ่งอธิษฐานบา ร, รมีสอง สัจจบาลมี3วิริยะบารมี4ขันติบาลมี5เมตตาบาลมี6ทานบารมีเจศีลบารมี8ปเนคขมะบารมี 9. อุเบกขาบารมีและสิปัญญาบารมีนี่คือ บุญบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละพบในแต่ละชาติจนได้ตัดสรุเป็นพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายของพระองค์เกิดจากการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้บุญบา ร, รมขีข้อที่หนึ่งนี้ เป็นจุดเป็นผู้จะจุดประกายให้เกิดบุญบรารมีต่างๆขึ้นมาก็คืออธิษฐานบรารมีอธิษฐานในที่นี้หมายถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิตของตนไม่ได้หมายถึงการขอสิ่งต่างๆอย่างที่เราใช้คำอธิษฐานนี้กัน คำอธิษฐานจะแยกเป็นสองความหมายก็ได้ความหมายที่เรารู้จักกันก็คือเวลาเราอยากได้อะไรเราก็จุดธูปเทียนแล้วก็อธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นอธิษฐานในบุญบารมีสิบประการอธิษฐานในบารมีสิบนี้แปลว่า การตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเราจะดำเนินชีวิตเราไปในทิศทางใดถ้าเป็นเรือก็เรือที่ต้องมีหางเสือถ้าไม่มีหางเสือเรือก็จะไม่สามารถวิ่งไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปได้มันก็จะไหลไปตามกระแสน้ากระแสน้ำ หรือถ้าเป็นรถยนต์ถ้าไม่มีพวงมาลัยเราก็จะไม่สามารถควบคุมให้รถวิ่งไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปได้การมีอธิษฐานบารมีก็คือเราต้องมีความตั้งใจว่าเราจะให้ชีวิตของเรานี้เดินทางไปในทิศทางใดอย่างวันนี้พวกเราก็ มีอธิษฐานใช้อธิษฐานบารมีกันแล้วก่อนที่เราจะมาที่นี่ได้เราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนร่วงหน้าเช่นเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าวันนี้ตอนบ่ายจะมาที่นี่ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายจะมาที่นี่เราก็จะไม่ได้มาที่นี่เราก็จะไปทำอะไรอย่างอื่น ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาก็คือนิสัยที่จะตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้อยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะอารมณ์นี้ก็เป็นเหมือนอลมเหมือนกระแสน้าที่จะไหลไปไหลามาไม่แน่นอน อารมณ์ของเราก็มีหลากหลายบางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ไม่ดีบางทีก็อยากจะทำความดีบางทีก็ไม่อยากจะทำความดีถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของพวกเราเป็นไปตามอารมณ์ชีวิตของเราก็จะไม่สามารถที่จะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้เพราะมันก็จะถูกอารมณ์ต่างๆ ดึงไปดึงมาเราจึงต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าต่อไปนี้เราจะสร้างบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างพอเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะต้องสร้างบารมีเราก็จะได้ทำตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้พอเราทำตาม ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ชีวิตของเราก็จะไปในทางที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้และก็จะถึงจุดหมายปลายทางถ้ามีการกระทําอย่างต่อเนื่องนี่คือบา ร, รมีข้อที่หนึ่งที่พวกเราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาในใจคือตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราข้อที่สองก็คือสัจจะ ความจริงใจหรือความเอาจริงเอาจังความแน่วแน่ต่อความตั้งใจถ้าเราตั้งใจแล้วแต่เราไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจไม่มีความเอาจริงเอาจังพอถึงเวลาจะทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็อาจจะล้มเหลวได้ถ้าเราเปลี่ยนใจใการเปลี่ยนใจนี้แสดงว่า ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจไม่มีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเราดังนั้นนอกจากมีการตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจต่อการตั้งเป้าหมายของเรา <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะตัดสรุปทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพนะพระองค์ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐาน สองตัวนี้ว่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี้ไปจนกว่าจะตัดสรูจะบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการถ้ายังไม่ได้เป้าหมายยังไม่ได้บรรลุถึงเป้าหมายก็จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดต่อให้เลือดในร่างกายนี้เหือดแห้งไปก็จะไม่ลุก ถ้าไม่ได้ตัดสรุจะลุกก็ต่อเมื่อได้ตัดสรุนี่คือตัวอย่างของการมีอธิษฐานและมีสัจจะรวมกันเรียกว่าสัจจะอธิษฐานถ้าพวกเรามาตั้งสัจจะอธิษฐานกันในวันนี้ว่าต่อไปนี้จนไปถึงวันตายหรือทุกพพทุกชาติถ้ายัางไม่ได้ไปถึงพระนิพพาน ยังไม่ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะสร้างบุญบารมีไปทุกภพทุกชาตินถ้าเราสามารถตั้งได้แล้วมีความจริงใจเราก็จะสามารถทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําได้นี่พอเราเริ่มทําในสิ่งที่เราทํา เราก็ต้องมีเรามีข้อที่สามมาสนับสนุนก็คือวิริยะบารามีวิริยะบารามีคือความอุตสาหะความเพียรความพยายามเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความขยันทําบ้างไม่ทําบ้างมันก็จะไม่ได้ผลเต็มที่อาจจะไม่ได้ ผลเต็มที่เต็มร้อยที่เราต้องการถ้าเรายังทำไม่ถึงหีดที่มันจะส่งผลมันก็ยังจะไม่มีผลให้เราดัางนั้นเราต้องมีความเพียรมีความพยายามที่จะทำสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้เราจะเพียรพยายามสร้างบุญบรารมีต่างๆ อย่างเต็มที่อย่างสุดหัวใจอย่างสุดกำลังมีเวลาเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมาสร้างบุญบารมีกันแล้วก็ทําแบบไม่ย่อท้อทําด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยยึดหลักว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ถ้าเราไม่มีความเพียรถึงแม้เราจะมีอธิษฐานมีความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจแต่เราไม่ทำหรือทำน้อยทำไม่มากผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาดัางนั้นนอกจากมีอธิษฐานมีสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิริยะบารมีหัดทำตัวเองให้เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียร อย่าเกียจคร้านอย่าปล่อยเวลาที่มีค่านี้ให้หลุดไปโดยไม่ทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์พยายามฝึกนิสัยให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าจะเป็นในทางธรรมหรือในทางโลกเพราะความพยายามนี่แหละจะเป็นตัวที่จะผลักดันให้ผลต่างๆที่เราต้องการเกิดขึ้นมานั่นเอง นอกจากการมีความเพียรพยายามแล้วเราก็ยังต้องมีขันติบารมีมาช่วยสนับสนุนขันติก็คือความอดทนเพราะการที่เราจะสร้างความดีต่างๆนี้มันไม่ง่ายเหมือนกับการก็ททำความไม่ดีก็ททำความชั่วการทำความดีนี้เหมือนกับการเดินขึ้นเขาเหมือนกับการปีนเขา ส่วนการทำบาปทำชั่วนี้มันเหมือนกับการเดินลงเขาเวลาทำบาปนี้มันรู้สึกจะง่ายแต่เวลาทำความดีแต่ละอย่างนี้มันรู้สึกยากมากถ้าเราไม่มีความอดทนเราก็จะมีความท้อถอยและอาจจะยกธงขาวยอมแพ้ ถ้าเรายกธงขาวเพราะเราไม่มีขันติความอดทนที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากในการสร้างบารมีต่างๆเราก็จะไม่สามารถสร้างบารมีที่เราต้องการให้สําเร็จได้นี่ก็เป็นบารมีอีกข้อหนึ่งข้อที่สี่บารมีสี่ข้อนี้จะเป็นเหมือนพลัง ที่จะผักดันให้เราไปสร้างบารมีที่เรายัางไม่มีกันบารมีที่เราต้องสร้างคือเมตตาบารมีความเมตตาก็คือความเป็นมิตรความมีไมตรีจิตกับสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายผู้อื่น มีแต่คิดดีพูดดีทำดีกับผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานหรือเป็นเทวดาก็จะให้ความเมตตากับสัตว์สั์ทั้งปวง ก, การให้ความเมตตานี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรานั่งสวดไปคนเดียวเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์ เรามักจะตบท้ายด้วยบทแผ่เมตตาการสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่เมตตาเป็นเพียงแต่การศึกษาวิธีแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่อย่างไรอย่างที่เราสวดว่าสัเพสตาอเวราโหนตุความหมายแปลว่าอย่างไรความหมายก็คือเราจะไม่มีเวณมีกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งปวง อันนี้เป็นการศึกษาหรือเป็นการสอนใจเตือนใจวิธีการแผ่เมตตาการจะแผ่เมตตาหรือให้ความเมตตานี้ต้องเวลาที่เราพบกับสรรพสัตว์นีเช่นเวลาเราพบกับเพื่อนที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านเราพบกับคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดา เราต้องให้ความเมตตาต่อเขาเขาทําอะไรผิดเราก็ต้องให้อภัยไม่โกรธไม่เกลียดเขา น, นี่ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเป็นการให้ความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นการเจริญเมตตาบารมีต้องทำในขณะที่เราพบกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ใช่ในขณะที่เรานั่งตามลำพังนั่งไหวพระสวดมนต์อยู่ตามลำพังแล้วก็สวดบทแผ่เมตตาอันนั้นเป็นการสวดเฉยๆไม่ได้เป็นการแผ่สวดบทแผ่เมตตาแต่คนไปเข้าใจว่าเป็นการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงเราต้องไปแผ่ต่อหน้าเจ้ากรรม น, น, นายเวรเราเราต้อง ใครคือเจ้ากรรมนายเวรนระาคือคนที่เขาเป็นคู่อริกับเราอันนี้แหละคนที่เป็นคู่กรณีกับเราคนที่เขามีปัญหามีเรื่องมีราวกับเราคนนั่นแหละที่เราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราที่เราจะต้องไปแผ่เมตตาให้ความเมตตากับเขาไปหาเขาแล้วก็เอาข้าวของขนมอะไรไปให้เขาไปฝากเขา แล้วก็ให้อภัยในการกระทาต่างๆของเขาเขาจะโกรธจะเกลียดเราอย่างไรเราก็จะไม่ตอบโต้เขาด้วยการคิดว่าเขาโกรธเราเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้ว เขายังไม่ได้ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปได้ยังไงเกิดมาก็ต้องตายอยู่ดีตายด้วยการใช้เวรใช้กรรมนี้ได้กาไรดีกว่าตายด้วยการสร้างเวรสร้างกรรมจะขาดทุนถ้าเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาตีมาเราก็ตีไปเดี๋ยวก็ต้องฆ่ากันตาย ฆ่ากันตายแล้วก็ตามไปจองเวรจองกรรมในพบต่อไปไม่เกิดกันถ้าหน้าเจอกันที่ไหนก็จะโกรธเกลียดกันจะมีเรื่องมีราวกันเสมอแต่ถ้าเราแผ่เมตตาให้กับเขายกโทษไม่ถือโทษโกรธเคืองในการกระทาของเขาที่ทำให้เราเดือดร้อน ขอให้คิดว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันไปชาติก่อนเราคงจะมีเวรมีกรรมกับเขามาเขาถึงมาได้มาเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราวิธีที่จะแก้เจ้ากรรมในเวรก็คือเราต้องหยุดเราไม่ตอบโต้เราต้องให้ความเมตตกับเขาเรียกว่าอเวราโหนตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร น, นี่คือการแผ่เมตตาแบบหนึ่งการแผ่เมตตานี้ท่านแสดงไว้อีกลักษณะหนึ่งก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นเรามีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้เราก็เอามาแจากกันนี่ มีใครคนที่เขาด้อยกว่าเรามีความทุกยากมากกว่าเราเราก็เอาข้าวเอาของมาให้เขามาช่วยเหลือเขาเรียกว่าเป็นการให้ความสุขกับเขาสุขีอั ต, ตานังปาริหารันตุเป็นการแผ่เมตตาเป็นการให้ความเมตตาผู้ที่มีความเมตตานี้ จะได้รับประโยชน์หลายประการจะเป็นผู้ที่มีผู้ที่รักจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและสปปรรพสัตว์ทั้งหลายจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและขณะที่หลับเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย ตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องไปเกิดในอบายสุคติก็คือการได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาอินพรหมได้เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับแห่งกำลังของบารมีที่เราได้สร้างไว้นี่คือบารมีข้อแรกที่จะเป็นบารมีที่จะสนับสนุนให้เราสามารถสร้างบารมีข้อที่ ข้อที่สองต่อไปได้คือทานบารมี <Yes. S 2> ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะทำทานได้งา่ายอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ <Yes. S 2> เรามีเงินเหลือกินเ <Yes. S 2> หลือใช้ <Yes. S 2> เราก็เอามาทำทานกัน <Yes. S 2> มาทำบุญใส่บาตร <Yes. S 2> เพราะพระท่านก็ต้องอาศัย mm hmm. การทำทานของพวกเรา mm hmm. ท่านถึงจะอยู่ได้ yes. พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพราะมันจะทำให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติมากำจัดความโลภโกรธหลงมากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจจึงให้ญาติโยมเป็นผู้เลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมก็จะได้ประโยชน์ได้ทำได้สร้างทานบารมี นี่คือบารมีที่เราจะทำถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราจะทำทานนี่ง่ายเพราะเราอยากให้คนอื่นมีความสุขกันพอเห็นใครเขาต้องการความช่วยเหลือเดือดร้อนเราจะยินดีช่วยเหลือทันทีอย่างญาติโยมนี้เรื่องใส่บาสนี่ใสกันอย่างล้นหลามพระนี่รับกันไม่หมด ข้าวของที่ญาติโยมมาให้นี้ต้องเอาไปทำทานต่อเพราะว่ามากมายกายกองเพราะความศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ชาวพุทธเราสร้างทานบา ร, รมีกันเพราะทานบา ร, รมีนี้จะทำให้เรามีความสุขกันตั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และ ตายไปถ้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆรอเราอยู่นี่คือประโยชน์จากการทาทานสร้างทานบารมีจะทำให้เราไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เป็นสมบัติชั่วคราวของพวกเราแต่เป็นสมบัติที่จะสนับสนุนให้เราได้ไป หาสมบัติที่แท้จริงของพวกเราก็คือสมบัติภายในที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั่นเองการทําทานนี้ก็จะทําให้เราได้บุญบุญนี่แหละเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์เราเอาเงินทองเอาทรัพย์ภายนอกมาแลกเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในด้วยการทําทานเมื่อเราสร้างทานบารมีได้แล้วเราก็จะสามารถสร้าง บารมีข้อต่อไปได้ก็คือศีลบารมีศีลบารมีนี้ก็คือการไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาเพราะเป็นการกระทําที่จะสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและกับตนเอง ไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษแล้วถ้าตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายอีกแทนที่จะได้ไปสู่สุคติก็จะไปเกิดในทุกคติไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะไม่รักษาศีลเพราะไม่สร้างศีลบารมีกัน ศีลบรารมีนี่แหละจะคุ้มครองจิตใจจะป้องกันจิตใจไม่ให้ตกไปในอบายผู้ที่จะไปนิพพานผู้ที่จะต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือผู้ที่ต้องการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนาหรือไปเป็นเทวดาอินพรหมจำเป็นที่จะต้องสร้างศีลบรารมีนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่มีศีล ถึงแม้ว่าจะทำบุญทำทานก็ยังจะต้องไปเกิดในอบายเพียงแต่ว่าทานบารมีนี้จะช่วยให้เป็นเดรัจฉานที่สวยงามน่ารักเช่นเกิดเป็นเป็นสุนัขที่น่ารักมีคนมีเงินมีทองซื้อไปเลี้ยงดูอย่างดีอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการได้สร้างทานบารมีแต่ไม่ได้สร้างศีลบาลเมน ยังไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยเพราะต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนพอหมดกรรมแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วก็มารับออ น, นิสงส์จากการทําทานต่อไปได้นี่ก็คือทานศีลบารมีที่จะพาเราไปสู่บารมีขั้นที่สูงกว่าต่อไป หล่อจากศีลบารมีเราก็จะสามารถจเจริญเนคข ม, มะบารมีได้เนคข ม, มะนี้แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือกามคุณทั้งห้าพูดสั้นๆก็คือการออกจากกามเนคข ม, มะนี้แปลว่าการออกจากกามเวลาที่ญาติโยมบวชนุ่งขาวห่มขาวกันนี้ เราไม่เรียกว่าบวชพรามความจริงต้องเรียกว่าบวชในคข ม, มะเพราะผู้ที่บวชในคข ม, มะนี้จะต้องถือศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อนั่นเองก็คื อ, อเป็นเป็นผู้ที่ถือศีลแปดศีลแปดนี้จะมาห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้วกายกันเช่นศีข้อท่เป็นกาเม ก็จะเปลี่ยนเป็นอ布拉มจริยาเวรมณีแปลว่าจะงดการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่หาความสุขทางกามอารมณ์จะเอาเวลามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบที่เป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าสูงกว่าดีกว่าความสุขที่เราได้จากการเสกกามอารมณ์มต่างๆ ศีลในศีลแปดศีลข้สามก็เลยเป็นการละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนแล้วก็เพิ่มศีลข้อหกไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากเอให้รับประทานอาหารเท่าที่จําเป็นต่อความต้องการของร่างกายก็คือไม่ให้รับหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเอรับในรับประทานในช่วงเช้า ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี้ก็พอเพียงต่อการเยียวยาดูแลร่างกายให้อยู่ได้อย่างปกติไม่ให้หิวโหวยไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะได้มีเวลาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมาบำเพ็ญบรารมีที่จะทําใจให้สงบต่อไปถ้าไม่รักษาศีลแปดรักษาเพียงศีลห้าก็จะยังรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปได้ แทนที่จะมานั่งสมาธิมาเจริญอุเบกขาบารมีเราก็จะไปไปกินไปดื่มกันได้เราก็จะไม่ได้มีเวลามาเจริญความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการกินการดื่มต่างสิ่งต่างๆนี่คือเนคขมมะบารมีข้อที่เจ็ดคือศีล ศินสินข้อที่เจ็ดในสินแปดก็คือให้ละเว้นจากการหาความสุขจากการละเล่นดูละครฟังเพลงร้องลํำทำเพลงบันเทิงอะไรต่างๆเหล่านี้และการเสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์วิจิตพิศบาลด้วยน้ำมันน้ำหอมด้วยเครื่องสำอางต่างๆด้วยเครื่องประดับต่างๆอันนี้จะ เสียเวลาเปล่าๆเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวไม่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจมากนักสู้เอาเวลานี้มาเจริญศีลข้อในขบ ม, มาบา ร, รมีข้อต่อไปพอเรามีในข ม, มาบา ร, รมีเราก็จะมีเวลามีกำลังที่จะมาเจริญอุเบกขาบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีก็คือการสร้างอุเบกขาขึ้นมาที่ใจ อุเบกานี้จะเกิดจากการนั่งสมาธิเวลาจิตสงบแล้วจิตก็จะมีอุเบกขาอุเบกขาก็คือความเป็นกลางใจไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความกลัวไม่มีความหลงใจเป็นใจที่นิ่งเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรอยู่ตามลําพังได้อย่างไม่เดือดร้อน ไม่เหมือนกับใจที่ไม่มีอุเบกขาเวลาที่ต้องอยู่ตามลำพังนี้จะเกิดความรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวรู้สึกเศร้าซ้<ม>อยเพราะอำนาจของความอยากที่อยากจะมีเพื่อนอยากจะอยู่กับเพื่อนและอยากจะออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ<ม>พอไม่ได้ออกไปความอยากนี้ก็จะผลิต ความรู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาความว้าเว่ความหงุดหงิด ต, ตำคาญใจต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเรามีเนคขมมะบา ร, รมีมีศีลแปดคอยสนับสนุนและมีการมีความเพียรพยายามนั่งสมาธิด้วยการควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปตั้งแต่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยควรจะฝึกสร้างสติสร้างคำบริกรรมขึ้นมาภายในใจเพราะจะป้องกันไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดความอยากแล้วจะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา ถ้าเราควบคุมความอยากได้อารมณ์ไม่ดีก็จะไม่เกิดใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่ต้องการอะไรแล้วถ้ามานั่งเฉยๆหลับตาควบคุมความคิดต่อไปเดี๋ยวใจก็จะตกเข้าสู่ผวังของสมาธิที่เรียกว่าตกหลุมตกบ่อเข้าไปใจจะวุบลงไปแล้วก็จะ นิ่งสงบเยน็นสบายเป็นอุเบกขาไม่ต้องการอะไรอยู่อย่างนั้นได้อย่างมีความสุขนอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขานี่แหละคือผู้ที่ให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆนี้มันสู้ความสุขที่เกิดจาก ความสงบของใจเกิด จ, จากความเป็นอุเบกขาของใจไม่ได้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบจิตจะสงบก็ต่อเมื่อเรามีเวลามาบาเพ็ญมาเจริญสติ มาควบคุมความคิดมาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับอารมณ์ต่างๆกับความคิดต่างๆอย่าไหลไปในอดีตอย่าไหลไปในอนาคตพยายามดึงให้อยู่ในปัจจุบันด้วยคําบริกรรมพุทธโธหรือถ้าจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวาการกระทาต่างๆของร่างกายแทนการบริกรรมพุทธโธก็ได้ เช่นร่างกายกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการทําอะไรของร่างกายกําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปลงควันหวีผ้าห ว, วีผมรับประทานอาหารทําอะไรก็ดึงใจผูกใจให้อยู่กับการกระทําของร่างกายเฝ้าดูการกระทําจะได้ประโยชน์ทั้งได้สติและได้การกระทําที่จะ ถูกต้องไม่เสียหายเวลาเราทำอะไรแบบใจลอยนี่เดี๋ยวบางทีสิ่งที่เราทาอยู่นี้จะทำผิดจะทำให้เกิดความเสียหายได้เวลาถือของอาจจะทำหลน่นทำให้ของหล่นแตกได้เพราะใจเราลอยใจเราไม่ได้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แต่ถ้าเรามีสติเฝ้าดูการทำงานของร่างกายไปร่างกายจะทำงานได้อย่างถูกต้อง คือทำด้วยความระมัดระวังนี้จะไม่เกิดความเสียหายต่างๆตามมาแล้วใจก็จะไม่ลอยไปไหนใจจะตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจใจก็จะดูแต่ลมหายใจไปเรื่อยๆเมื่อดูลมหายใจแล้วไม่ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวใจก็จะตกหลุมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าอานาปนาสติ ใช้ดูการดูลมหายใจก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือบางท่านจะผสมกันก็ได้หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธก็ทำไปอย่าให้ไปคิดเรื่องต่างๆก็แล้วกันให้อยู่กับงานที่กาลังทาอยู่ก็คือดูลมหายใจเข้าออกกับบริกรรมพุทธโธไป ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้พอมีอุเบกขาแล้วจะมีความสุขมากจะทำให้เราตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสัรเสรญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่ยึดไม่ติดแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับมันร่ะลาบยศสัรเสรญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมีเกิดได้ก็มีดับได้มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้ถ้าเรายังยึดติดเวลาราบยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปนี้เราจะทุกข์กันมากที่เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะว่าเราสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปนั่นเอง ก็คือลาบยศสรรเสริญ ส, สุขต่างๆนี่เองถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากอุเบกขาบารมีแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกวิ้นกายเราไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราอีกต่อไปเขาจะอยู่เขาจะไปก็จะไม่มีผลกระทบกับจิตใจของเรา ใจิตใจของเราก็จะสงบเป็นอุเบกขาไปได้เรื่อยๆเพราะถ้าเรารู้จักวิธีสร้างอุเบกขาขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถสร้างมันได้เรื่อยๆรักษามันไปได้เรื่อยๆและการที่จะรักษาให้ใจเราเป็นอุเบกขาอย่างถาบรเราก็ต้องมาสร้างบารามีข้อสุดท้ายก็คือปัญญาบารามีปัญญาบารามีก็คือการเห็นว่า ความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราหลงยึดติดกันนี้ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่ามันไม่ถาวร น, นั่นเองทุกเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการขึ้นมีการลงมีการเกิดมีการดับเนเวลามันเปลี่ยนไปมันก็ทาให้เราเสียใจยได้เช่นคนที่เรารู้จักที่เคยดีกับเรา พอเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์แล้วนี่ก็เรียกว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนิจจงพระเจ้าสอนให้พวกเราพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีขึ้นมีลงถ้าไปยึดไปติดมันแล้วก็จะเกิดความอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอน ไม่อยากให้มันเปลี่ยนไม่อยากให้มันเสื่อมไม่อยากให้มันดับพอมันเปลี่ยนมันเสื่อมมันดับมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วเราไม่ไปยึดไปติดกับมันไม่ต้องการไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่ว่ามันจะเจริญหรือเสื่อมหรือเปลี่ยนไปเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าที่เราสามารถ ให้ความสุขกับเราได้ก็คือเรามีอุเบกขาบาลมีนะก่อนที่เราจะใช้ปัญญาบารมีสอนใจให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยยึดเคยติดเคยให้ความสุขกับเราได้นี้เราต้องมีความสุขที่ได้จากอุเบกขาบารมีก่อนถ้าเราได้อุเบกขาบาลมีแล้วเราจะมีความสุขในตัวของเราในใจของเราทาให้เราไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอก ไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันเป็นความสุขปลอมได้มาแล้วเวลามันเสียไปมันหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่ข้าเห็นว่าให้เรามองทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา สักวันหนึ่งเราจะต้องพัดภาคจากสิ่งต่างๆที่เราได้มาไปเวลาพัดภาคนี้มันจะเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขนั่นเองเวลามันเปลี่ยนไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยคือนี่คือการใช้ปัญญาให้เราเห็นว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทภที่พวกเรากำลังเสพกันอยู่นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีการเสื่อมมีการดับ มีการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนเป็นของคนอื่นไปของวันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไปอยากได้ลาบยศสรเสรไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเรามาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการเจริญอุเบขาบารมีดีกว่า นี่คือเรียกว่าการเจริญปัญญาบารมีการจะเจริญปัญญาบารมีได้ในเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยการไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากผู้มีปัญญาบารมีก่อนทุกคนนี้ต้องไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรา พอเราได้เรียนรู้แล้วเราก็เอามาคอยสอนใจคอยเตือนใจไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดไปหาความทุกข์ที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เรามองไม่เห็นกันเรามองว่ามันเป็นความสุขกันแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินความจริงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้ความจริงมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันจากเราไปนี่มันจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจนีพอเรารู้อย่างนี้เราก็เอามาสอนใจอยู่เรื่อยเตือนใจอยู่เรื่อ ย, อ ย, อยแล้วพอเรามีอุเบกขาบามีมีความสุขทางใจแล้ว เราก็โยนทิ้งไปเลยของต่างๆเหล่านี้คนที่ได้บรรลุแล้วนี่เขาก็ขอพระพุทธเจ้าบวชกันถ้ายัางไม่ได้บวชนี้พอได้บรรลุพอได้ปัญญาพอเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์เห็นว่าอยู่ไปก็จะอยู่กับกองทุกข์เก็เลยออกบวช ด, ดีกว่าอไปอยู่กับอุเบกขาบารามีดีกว่าไปอยู่กับความสงบดีกว่านี่คือเรื่องของ การสร้างบารมีต่างๆที่จะทำให้จิตใจของเราใน้พัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระอาหารหันตสาวกพระอาหารหันตพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกนี้ก็มีอ น, นิสงส์มีประโยชน์เท่ากันคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันและได้บรรลุถึงพระนิพพานเหมือนกัน ตางตรงที่ว่าพระอาหารหันตสัมมาสั ม, มพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ค้นพบการดุดพ้นด้วยพระองค์เองค้นพบบารมีทั้งสิบนี้ด้วยพระองค์เองแต่พระอาหารหันตาสาวกนี้เล่าอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเป็นคนบอกแต่พอปฏิบัติแล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน ก็คือไปถึงพระนิพพานด้วยกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าคนหนึ่งเป็นคนสอนคนที่ค้นหาความจริงด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้าเมื่อได้พบความจริงแล้วก็เอามาสั่งสอนพวกที่ไม่รู้อย่างพวกเราพวกเราถ้าเราฟังแล้วเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกัน คำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังนั่นเองเราเป็นผู้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าการที่เราบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็บรรลุ them, เพราะการได้ยินได้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้านี้เองแต่เป็นพระอหรหนันต์เหมือนกันพระอรหันต์ตรมารสามพุทธเจ้าตัดทะลุด้วยตนเองเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองอหรหันตสาวกเป็นพระเป็นอหรหันต์ได้ด้วยด้วยการได้ยินได้ฟัง วิธีการปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าแต่ผลก็เหมือนกันก็คือใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภโกรธหนองความอยากต่างๆที่เป็นเชื้อของความทุกข์ที่เป็นเชื้อของภพชาติต่างๆพอได้กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปน นี่คือเรื่องของบา ร, รมีทั้งสิบประการที่พวกเราจะได้พบถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้รับผลจากการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้คือเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากกันอีกต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะมาสร้างกันในวันนี้ในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆหลังจากที่ท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้ท่านนำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติต่ตอไปเพราะการฟังเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงต่อการทำให้เกิดผลขึ้นมาการที่จะทำให้เกิดผลอันเลิศอันปรสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ได้รับกันนั้นจะต้องเกิดจากการน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติคือไปสร้างบารมีทั้งสิทธประการนี้กันสร้างอธิษฐานบารมีสร้างสัจจะบารมีสร้างวิริยะบารมีสร้างขันติบารมีสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างเนคขมะบารมีสร้างอุเบกขาบารมีและสร้างปัญญาบารมี ถ้าเรามีบา ร, บ ร, บรมีสิบครบสิบประการจิตของเราก็จะดุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าไปสู่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขอันสูงสุดคือบร ม, มสุขนิบานังปรมังสุขขังจะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้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 จันโทตนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโน จตารโธวทานติอายุวโนสุขังภาลงช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญเข้ามาถามบนศาลานี้ได้เลยผ่านทางไมโครโฟน แล้วก็หลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบใครอยากจะถามอะไรก็ถามในช่วงนี้จนถึงเวลาที่เราเลิกกันพอเลิกแล้วก็ขอหยุดถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้คำถามที่ฝากมาทางบ้านถามไปก่อนค ำ, คำถามฝากถามจากทางบ้านคะ่ะบางครั้งเรารู้สึกไม่พอใจที่ถูกตำหนิ จ, จากผู้ใหญ่ เรื่องที่มีคนเอาเราไปกล่าวหาในทางบิดเบือนกับพูดทำให้ให้ร้ายเราแต่พอได้สตินึกถึงคำสอนของหลวงพ่อว่าเราไปบังคับคนอื่นให้เป็นดังใจไม่ได้ใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาเราต้องไม่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็เลยสบายสงบลงไม่วุ่นวายใจแต่หากว่าหลังจากนั้น เรายังรู้สึกว่าลึกๆนั้นเรายังมีความขุนใจอยู่อย่างนี้เราควรหวางวางใจอย่างไรคะก็เราต้องอปฏิบัติทำให้มากขึ้นให้สติเราเข้าไปถึงส่วนที่มันขุนมัวได้จิตเราตอนนี้ยังธรรมของเราหรือปัญญาของเรายังเข้าไปไม่ถึงฐานของจิตเนี่ยมันยังมีส่วนที่ขุนมัวอยู่ ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิจนจิตรวมเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปถึงฐานแล้วมันจะล้างความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้อ่าถามได้เลยพูดใกล้ๆปากหน่อยจะถามว่าเวลาจิตเรารวมไปแล้วนะครับแล้ว เ, เราประคองไว้พอมันเหมือนจะถอยออกมาเนี่ยเราก็กลับไปบริกรรมพุโทโธเพื่อจะต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ไม่ไหวแล้วค่อยออกมา จนกระทั่งมันสติมันำลัสสติมันหมดถึงค่อยออกมาพิจารนากายหรือว่าทำอย่างั้นถูกต้องไหมครับก็ออกมาแล้วก็มาพิจารณาร่างกายหรือเราจะเจริญสติต่อก็ได้ถ้าเรายังไม่ต้องการเจริญปัญญาอยากจะฝึกสมาธิฝึกสติให้มันมีความาแน่นแฟนมีความชำนาญก็มาบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยมาดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าให้คิดอะไร เพราะการพิจารณานี้มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษคือถ้าเราเผลอเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วมันจะทำให้จิตสงบยากแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาไปในแนวของใจรักได้มันก็จะไม่ฟุง้งกลัวว่าเดี๋ยวมันทิจนาไปพิจารณามากลายเป็นร่างกายของคนนั่นคนนี้ขึ้นมามนกลายเป็นร่างกายของลูกของสามีของภรรยา แล้วก็เกิดความห่วงใยเกิดความกังวลขึ้นมาได้ถ้าพิจารณาก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่มีตัวตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายอันนี้มีแต่ความแก่ความเจ็บความตายที่อยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าพิจารณาในแนวนี้ก็พิจารณาได้การพิจารณานนี้ก็เพื่อให้เราเห็นความเป็นจริงของร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติด ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกไม่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายบุคคลเหล่านี้เขาอยู่ในใจของเขาที่ไม่ได้ตายตามกับกับร่างกายไปพอร่างกายตายไปใจของเขาก็ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่ต่อไปอถ้าจะพิจารณาก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่ชนานาญทางสมาธิเรา ยังไม่พิจารณาก็ได้ให้อยู่กับพุทธโธอยู่กับการเจริญสติไปเพื่อเวลานั่งสมาธิจะได้สงบได้ง่ายและเร็วขึ้นก็ได้แลนั่งอยู่ได้นานขึ้นก็แล้วแต่นี่ข้อสองครับนะฮะก็พอดีวันั้นใกล้ปากเลยพูดอะไรับครับรวันนั้นฟังเคยอ่านเกี่ยวกับธรรมะสองคล้ายๆกับมีพระจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฮะแล้วก็ อ่าระหว่างนั้นมีฝนตกแล้วมีน้ํากระเพื่อมฮะก็เลยเกิดเป็นข้อคิดในใจขึ้นมาเหมือนกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผู้สัตว์หรือว่าตัวเราเองก็เป็นธาตุประกอบติน้ําลงไฟเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปอตัวนามธรรมไม่ว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เหมือนเป็นสิ่งที่กระเพื่อมขึ้นมาเป็นตัวแล้วก็สลายคืนกลับไป อ, อันนั้นเป็นการพิจารณาถูกไหมครับก็พิจารณาเพื่อปล่อยวางไม่ให้ไปยึดติดกับ ธรรมอารมณ์ที่มีในใจธรรมอารมณ์ก็มีส่วนที่เป็นสุขส่วนที่เป็นทุกข์เนมันสลับกันไปสลับกันมาแต่จิตเรามักจะยึดติดกับอารมณ์ที่เป็นสุขพออารมณ์ที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็เกิดความไม่พอใจเกิดความก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องพิจารณาว่าอารมณ์ทั้งหมดก็เป็นเหมือนหยดน้าที่ลงจากหลังคาลงมาพอลงไป น้ําที่อยู่กับพื้นมันก็เป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะสุขจะทุกข์มันก็เช่นเดียวกันมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปถ้าถ้าไปยึดกับอารมณ์สุขเวลาอารมณ์สุขหายไปมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเกิดอารมณ์ทุกข์ก็จะไม่พอใจก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกยังต้องให้รู้เฉยๆแล้วไม่ไปยึดไปติดกับอารมณ์ปล่อยมันเหมือนกับเราดู หยดน้ำที่ไหลลงมาจากหลังคาสู่สู่พื้นมันไหลลงมาแล้วมันก็หายไปมันไหลลงมาแล้วมันก็หายไปให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปบ่อยวางหาข้างหลังวิชามา้าคือเวลาที่ทำงานนะคะหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าสวดมนต์เนี่ย จะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรรอบข้างคือจะค่อนข้างมีสมาธิแต่พอเวลานั่งสมาธิจริงๆกับได้ยินเสียงเช่นจริงจกร้องมั่งหรือว่ามีเสียงก็ก็แก๊กๆอย่างเนี้ยค่ะแปลว่าเราไม่มีสมาธิหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกเป็นว่าจิตเรามันมีความไวต่อเสียงต่างๆรอบข้างเราแต่เราก็อย่าไปสนใจกับมันขอให้เราเกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธไปหรือการดูลมหายใจไป อย่าไปสนใจกับเสียงต่างๆท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรถามเองท่านหนึ่งข้างหลังกระพ้าจานนะครับเอ่อครผมจะสอบถามว่าถ้าถ้าเราไม่เก่งเรื่องสมาธิแต่ว่าเราจะพยายามเน้นเรื่องมักแปดอริยสัจสี่อันนี้ เพียงพอป่ะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเหมือนครับคือมรรคแปดกาลียาสัจสีนี้มันยังเป็นภาพรวมอยู่ เ, เวลาเราปฏิบัตินี่เราจะต้องเจาะไปในเรื่องแต่ละเรื่องสมาธิเราก็ต้องเจาะมันให้ได้แล้วถึงเราถึงจะไปทางปัญญาได้ต่อไปโอ้มาปัญญามันก็มีแต่ละมันมีแต่ละเรื่องมันที่เราจะต้องเจาะเป็นเรื่องๆไปเรื่องของร่างกายเรื่องของเวทนา เรื่องของิจิตเนี่ยมันเป็นที่เราจะต้องเอาเป็นเรื่องๆไม่ใช่ดูแต่ภาพรวมอย่างเดียวเราต้องทำควบคู่กันไปคือเราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาสมาธินี้เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการที่เราจะเอาปัญญามาต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเราก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลา ย, ยาเป้าหมายของเราที่เราปฏิบัตินี้เพื่อทำลายกิเลสตัณหา แล้วเราจะทำลายมันได้เราต้องมีสมาธิเป็นผู้ให้กำลังแล้วมีปัญญาเป็นผู้ชี้เป้าเป็นผู้บอกเราว่าให้เราตัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพระอาจารย์ผมมีแบบแนะนำว่าอย่างของผมเนี่ยเป็นคนที่ทำสมาธิแล้วชอบหลับก็เดินไปหัเดินคือการปฏิบัติสมาธินี่มันจะต้องถือศีลแปดอย่างน้อยอะ มันต้องไม่ต้องไม่กินข้าวเย็นนะแล้วต้องปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบคือทั้งวันอะไรอย่างนี้มันถึงจะได้ถ้าเรานั่งแค่วันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลอะไรอะรต้องไปเช่นช่วงวันหยุดสามวันห้าวันไปอยู่วัดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถือศีลแปดแล้วก็ไปเจริญสติทั้งวันทั้งคืนสลับกับการนั่งมันก็จะเข้าสู่สมาธิได้ เราเราไม่จําเป็นต้องแบบว่านั่งเห็นบางฝั่งบางคนบอกนั่งแล้วจะต้องเห็นเห็นภาพเห็นอ๋อไม่ต้องเราต้องการให้เห็นพุโทโธให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปแล้วพุโทโธกับลมมันจะพาเราเข้าสู่ความสงบที่เป็นความว่างไม่มีอะไรถ้าเห็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นของแถมมาอครับขอบคุณครับข้างหลังมีอ่ะส่งให้ข้างหลังต่อ ไม่ต้องกราบแล้วเอาเลยเอแค่นีไ้ไม่เสียเวลาพูดใกล้ๆมาครับคนใกล้ๆปากเลยครับพอการวัฒนการอ ง, งค์หลวงตาคลีทั้งใจบาที่นี่เพื่อจะมากราบองหลวงปูโดยเฉพาะเลยนะครับมีสภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในในจิตอนะที่เป็นเหตุในการยังรู้ตัวรู้นี้ไม่ถึงเรื่องของตัวยานนะครับหลวงาตาครับ ยานชนิดนี้มันเป็นยานพิเศษที่เราไปยังรู้ในความเป็นอดีตแล้วก็มันเชื่อมโยงกับปัจจุบันว่าการที่เราเป็นไข่นั้นส่วนนี้เป็นเป็นเรื่องความจริงใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่ของการปฏิบัติเนี่ยในขณะที่จิตมันเกิดความสงบเนี่ยเรามีเหตุในการที่ที่เราไปเชื่อมโยงในระบบของระบบจักรวาลที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมานี่เรื่องนี้มีเป็นเรื่องราวของผู้ที่ปรารถนาในสิ่งที่ว่ามันจะเป็น พุทธญาณปัจเจกพุทธญาณเลยสำพรับวรมิยานส่วนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับก็ความรู้มันมีหลายอย่างความรู้เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอะไรมันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่มันเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงเน้นให้เรารู้พระองค์ทรงเน้นให้เรารู้ในอริยสัจสี่ให้รู้ว่าทุกของเราเกิดจากตัณหาความอยากให้รู้ว่าการดับความทุกข์ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ศีลสมาธิปัญญา ให้รู้แคนี้ส่วนโลกจั ก, กรวาลมันจะเชื่อมกันอย่างไรดวงดาวมันจะมีอะไรต่ออะไรมันเป็นความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้ไม่สามารถมาดับการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้แต่ความรู้ในอริยสัจ4ี่นี้จะเป็นความรู้ที่จะดับความทุกข์ต่างๆตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังให้รู้แค่นั้นพอรู้แค่อริย ส, สัจ4ี่ เข้าใจมั้ยอ่อรอไปอกราบนม า, ามาักมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือตอนนี้กำลังปฏิบัติพุทโทอยู่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาบริกรรมพุทโทแล้วเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่มีสติตั้งมั่นเจ้าค่ะฉะนั้นทีเนี้ยนูเคยอ่านหนังสือเจอแล้วเขาบอกว่าให้เราเหมือนกับสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้ว พอมันตั้งมั่นแล้วเราค่อยมาบริกรรมพุโทโธอันนี้ใช้ได้ไหมเจ้าค่ะตอนนี้หมายถึงตอนที่กําลังนั่งอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะกำลังนั่งสมาธิอยู่เจ้าคะแล้วพอเริ่มต้นถวพุโทโธพุธโทโธแล้วมันจะไม่อยู่มันรู้สึกเหมือนกับเราท่องไปเจ้าค่ะมันเหมนไม่เข้ามาข้างในเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้มันท่องไปอย่าให้มันไปคิดอะไรเป้าหมายของการท่องพุโทโธเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเอ การที่เราไปบังคับลมนี่มันมันรู้สึกว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะใช้ลมก็ให้ดูลมเฉยๆอย่าไปบังคับลมเฝ้าดูลมแทนพุทโธก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราท่องพุทโธแล้วมันไม่รู้สึกจะได้อะไรก็ลองเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกแทนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้ตรงจุดเดียวรู้ตรงแถวปลายจมูกที่ลมเข้าออก หรือรู้ที่กลางหน้าอก ล, ลมเข้ามันก็จะพองเวลาออกมันก็จะยุยให้รู้อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงสิ่งต่างๆถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปควบคุมบังคับลมหายใจมันจะเป็นการทำงานของจิตจิตมันก็จะไม่สงบ ยังถ้าไม่ไปบังคับลมได้จะดีกว่าแต่ถ้าเฉพาะตอนเริ่มต้นน่ะอยากจะสูดหายใจเขา้าสักสองสามครั้งเป็นการตั้งหลักก็ก็คงจะทำได้แต่พอหลังจากนั้นแล้วควรจะปล่อยลมให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาถ้าในจังหวะที่เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้ให้รู้ว่ามันอยู่ตรงที่จุดไหนแล้วเรากลับไปบริกรรมพุทโธได้ไหมเจ้าคะาไม่ควรถ้าจะดูลมก็มดูเฝ้าดูลมอย่างเดียวดีกว่า ดูตรงจุดนั้นว่าเวลามันเข้าก็รู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกแค่นั้นเองให้มันรู้ให้มันมีงานทำให้มันเป็นเหมือนยามคอยเฝ้าเพื่อจะได้ไม่ไปทะเลทไลไปคิดเรื่องราวต่างๆเสร็จแล้เดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวในทางนี้ก็ยังถามอยู่เดี๋ยวจะส่งไ ป, ไปให้ผมมีคำถามที่ขอความเมตตาต่างตา ด้วยการกําหนดหลมมักคูที่ได้กล่าวมามันถ้าเราจะกําหนดดูปราณปราณ น, นี่หมายถึงว่าเรากําหนดหลมไปที่ท้องเนี่ยมันจะเป็นพุทธท้องพองโถ ท, ท้องยุบพุทธท้องพองโทท้องยุคพองยุบพองยุบพองยุบเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งไปไล่ลมเสียออกอย่างนี้มันมันมันเป็นเกิดเป็นการมาชาร์จแบตเตอรี่ตรงตรงตร ง, ตรงลิ้นปีกนะครับ มนเป็นการทเราพองยุบพองยุบพองยุบพองยุบพองยุบพองยุบใช่นะไหมไอตัวที่ตัวปานตัวนี้ยมันมาเก็บสะสมเป็นแบตเตอรี่อยู่ตรงใจกลางของของร่างกายนะครับแล้วทนี้มันเอาลมเสียออกทั้งหมดเลยพอพอเร า, เอาลมเสียออกทั้งหมดตอนนี้เรามีกําลังในส่วนหนึ่งเอามาพิปซานาในการแยกแยกธาตุแยกขันอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้เราก็ไม่เคยทํานะเราไม่สามารถที่จะยืนยันได้ก็เราลองทําดูก็แล้วกัน เดี๋ยวทางนี้มีคำถาม่ะพูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยเสียงจะได้ดังขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะขออนุญาตถามครับกรณีที่บำอยู่ในเพศคาวาสครับสามารถบำเป็นจากมีศีลในบริสุทธิ์ในศีลแปดสามารถเจริญจิต ให้ข้ามความทุกข์ให้ถึงผลนิพพานได้หรือไม่ครับก็อยู่ที่คนปฏิบัติถ้าทําได้ก็ทําได้ทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ห่มเหลืองห่มขาวอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเองว่าจะรักษาศีลสมาธิปัญญาได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันสมัยพุทธกาลบางคนนี่ก็บรรลุเป็นผ้านั้นก่อนเขาบวช พอเขาบรรลุแล้วเขาเขาขอพระเจ้าขอบวชเป็นพระต่ตอไปดนั้นอยู่ที่อยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์นั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นอัอปปนาสมาธิได้พิจารณาปัญญาเห็นอริยสัจ ส, สีได้แล้วก็บรรลุได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คำถามฝากถามเพิ่มเติมค่ะการเจริญสมาธิการเจริญสติ การเจริญปัญญาต่างกันอย่างไรครับก็เป็นเป็นงานคนละอย่างนีการเจริญสติก็คือการควบคุมใจไม่ให้คิดตรงแต่งให้จิตระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวให้มีสติรู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นพุโทโธพุโทโธมันก็จะป้องกันไม่ให้เราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่คิดใจเราก็จะว่างเย็นสบาย ถ้าเรานั่งเฉยๆหลับตาจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธินะสมาธิคือความสงบนิ่งของใจจิตจะสงบนิ่งได้ต้องมีสติเป็นผู้คอยกำจัดคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งพอจิตหยุดคิดปรุงแต่งจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาส่วนปัญญาก็คือการศึกษา ใหเห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดไปติดว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขว่ามันเป็นของเราเพราะมันจะทําให้เราผิดหวังแล้วเราจะเสียใจเราจะทุกข์กันถ้าเรารู้ว่าเงินทองไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็อยากไปมีมันดีกว่ามีแล้วเดียวสักวันหนึ่งก็จะต้องสูญเสียมันไป เวลาสูญเสียเงินทองก็เสียอกเสียใจกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปอาศัยมันมาให้ความสุขกับเราเพราะมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราแทนถ้าเราเห็นเรียกว่าปัญญานี่คือสติสมาธิปัญญาที่มีมีหน้าที่ต่างกันไปสติเป็นตัวหยุดความคิดสมาธิเป็นความสงบของใจ ปัญญาคือความรู้ความฉลาดที่เห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นทุกทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราออื่ถามต่อกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับขอความเมตตาในในคำตอบนะครับเ อ, อมีคําถามฝากถามครับจากเด็กประมาณอายุสักสิบถึงสิบเอ็ดขวบครับเ อ, อเขามาตั้งคําถามว่าเออ ใช้ต้องใช้ธรรมะหัวข้อไหนฮะสําหรับการที่เขาบางภาวะเขาเป็นเด็กดือ้อฮ ะ, อะครับจะทำไงแก้ความดือ้อเหรอก็คืออย่าเชื่อตัวเราเองอย่าเชื่อความคิดของเราเองตอนนี้เราความคิดของเรานี่มันจะไม่ถูกต้องเสมอไปถ้าเราเชื่อความคิดของเราแล้วทําตามความคิดของเราอาจจะเกิดความเสียหายกับเราได้ เังนตอนนี้เราต้องเชื่อคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก่อนเพราะเขามีประสบะการณ์เขารู้ว่าคิดอย่างนี้ถูกหรือคิดอย่างนี้ไม่ถูกนทําอย่างนี้ถูกทําอย่างนี้ไม่ถูกดังั้นตอนนี้เราควรที่จะเชื่อคนอื่นก่อนเชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์อย่าเชื่อตัวเราเองเพราะความคิดของเหล่านี้มันยังไม่ได้เป็นความคิดที่ได้รับการกลั่นกรอง แยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีหรืออะไรชั่วแต่ความคิดของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์นี้ท่านได้รับการสั่นกรองมาแล้วเพราะท่านเคยมีประสบะการณ์มาแล้วท่านทำไม่ดีท่านได้รับแผลมาแล้วได้รับความเจ็บปวดมาแล้วท่านก็รู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ดีท่านก็ห้ามเราบอกเราอย่าทำเพราะถ้าเราทำเดี๋ยวเราจะเจ็บตัวขึ้นมา เช่นไฟฟ้านี่ท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไป เ, าเล่นกับมันเดี๋ยวเกิดไฟช็อตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้เราตายได้แต่ถ้าเราดื้อเราอยากไม่เชื่อเราลองทำดูแต่มันอาจจะมน จ, จะสายเกินแก่พอถูกไฟช็อตนี่มันตายเลยนะนี่คือตอนนี้เรายังเป็นผู้ผู้น้อยอยู่เรายังไม่มีการกั้นกรองความคิดของเรา เราต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่มีการกันกรองแล้วเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองพอใจไหมเข้าใจไหมก็มีคำถามจากผู้ใหญ่ฝากถามฮะในกรณีที่ตอนที่เขารู้สึกผิดหวังไม่ได้ดั่งใจนะฮะการจะระงับอารมณ์เกี่ยวกับความโกรธโมโหซึ่งจะนำพาไปเกี่ยวกับการดือ้อหรือว่าคงแต่งมีคารมประทะอะไรกันอย่างนี้ครับ ต้องต้องทํำยังไงครับใช้ห <ock> ัวข้อธรรมะไหนครับก็ต้องก็ต้องคิดว่าความอยากของเรานี้มันไม่จะมันไม่ได้สามารถที่จะให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเสมอไปเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอยากแล้วบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คืออย่าไปอยากดีกว่าถ้าไม่อยากจะเสียใจให้ยินดีตามมีตามเกิด ได้อะไรมาก็โอเคไม่ได้อะไรมาก็โอเคอยู่แบบไม่มีเราก็อยู่ได้อย่าไปอยู่กับความอยากเพราะอยู่กับความอยากอยู่ด้วยความอยากเราจะต้องเสียใจเพราะเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะโกรธคนที่เราขอขอขอพ่อแม่ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้พอพ่อแม่ไม่ให้ก็จะโกรธจะเสียใจแล้วก็จะต่อต้านจะดื้อแล้ว จะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวเราไปทําตามใจของเราเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทําสิ่งที่เสียหายกับตัวเราต่อไปดังนั้นหัดลดความอยากลงอย่าโลภมากหัดเป็นคนยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษพ่อแม่ให้อะไรมาก็สาธุสาธุไปพ่อแม่ไม่ให้อะไรมาก็อย่าไปขอ ถ้าอยากได้อะไรก็ลองพูดเฉยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปเสียใจคือบอกแล้วถ้าเขาให้ก็ดีถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีเขาอยากจะให้แต่เขาไม่มีเงินซื้อให้เราเราก็ต้องเห็นใจเขาว่าของต่างๆมันต้องใช้เงินใช้ทองมันไม่ได้มาแบบง่ายดาแล้วพ่อแม่ก็ต้องใช้มาตรการให้เขาเห็นคุณค่าของเงินทอง เขาอยากจะได้อะไรก็ต้องให้เขาทำอะไรทั้งอย่างเป็นการตอบแทนหนูอยากจะได้นี่หนูไปล้างห้องน้ำให้แม่ก่อนไปล้างชามให้แม่ก่อนจะได้รู้ว่าออของต่างๆมันมานี่มันต้องมาด้วยหยาดเหงือ่อมันได้มาด้วยจากการขออย่างเดียวต่อไปไม่มีพ่อแม่แล้วเราจะไปขอไข่เราก็ต้องหาเองยันพ่อแม่ก็อย่าตามใจถ้าเห็นว่าให้เราเสียหายก็ปล่อยเขาโกรธไปช่วยไม่ได้ เป็นบทเรียนสอนเขาให้เขารู้จักความผิดหวังบ้างเพราะชีวิตเหล่านี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบมันมีทั้งมีทั้งหนามมีทั้งอะไรมันมีทั้งความสมหวังและมีการผิดหวังถ้าเขาไม่รู้จักความผิดหวังเขาจะไม่รู้จักทำใจพอโตขึ้นแล้วถ้าเกิดไปเจอสิ่งที่เขาผิดหวังเขาอาจจะฆ่าตัวตายเลยก็ได้เพราะเขาจะรับกับสภาพนั้นไม่ได้แต่ถ้าเขาได้พบกับความผิดหวังตั้งแต่เขาเป็นเด็ก เขาก็จะรู้จักทำใจรู้สึกรู้จักยอมรับความจริงว่าในโลกนี้มันมีทั้งความผิดหวังและมีการความสมหวังแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงถึงกับจะต้องฆ่าตัวตายไปเคยสังเกตเห็นว่าเขาเคยทำเช่นถ้าคอนโกรธเนี่ยบางทีเขาบริกรรมพุทโธหรือบางครั้งก็ท่องผมคนเล็บฟันหนังเลือเอ็นกระดูหรือไม่บางทีก็ย้ายห้องไปห้องอื่น สังเกตว่าเขาก็สงบได้ฮะแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อมั่นวิธีนี้อยากก็เป็นการแก้ไขในเรื่องในเฉพาะหน้าปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันไม่ได้แก้ไขที่รากฐานของปัญหารากเงาของปัญหามันเกิดจากความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยที่ไม่มีวันพอต้องหัดปรับใจของเราให้ เป็นสันโดษให้ได้ให้ยินดีตามมีตามเกิดให้ได้แั้นมันจะไม่มีปัญหาถ้าถ้าใช้พุทธโธเดี๋ยวมันก็นังับไปได้ในชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็อยากจะขอสิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ต้องไปใช้พุทธโธมันก็แก้กันไปแต่ไม่เป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรถ้าจะแก้ปัญหาอย่างถาวรต้องสอนเขาให้ดูว่าความอยากนี่มันเป็นอันตราย ความยินดีตามมีตามเกิดนี้เป็นประโยชน์ไม่มีโทษเอาเอาความยินดีตามมีตามเกิดดีกว่าวันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่คงจะน้อยมผมไปเที่ยวกันนะช่วงพระอาจารย์ช่วงพระอาจารย์แสดงธรรมสองรอยห้าสิบนะครับอตอนนี้ร้อยเก้าสิบสองนะฮะแล้วก็มีจากเวียดนามเป็นประเทศที่ยี่สามนะฮะยบสามแล ส่วน u ู u ูบตอนตอนพระอาจารย์แสดงทมอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับอตอนนี้อยู่ที่สามสิบแปดนะครับคำถามต่อไปจากเฟซ e b o o k l i ไลน์นะครับจากคุณอรุณศรีครับคนที่ไม่มีขันติเราต้องทำอย่างไรเจ้าคะไม่มีขันติก็หาขันมาเลยแล้วก็หาม้มาตี <laughs> ไม่หรอกก็ขันติก็ต้องอ เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยวิธีที่จะมีขันติก็คือเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีเราก็ใช้การเจริญสติช่วยได้พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปเวลาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดหมดกำลังจิตกำลังใจก็ท่องพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราท้อแท้เบื่อหน่าย อย่าไปคิดเสงเรื่องที่ทำให้เร า, เาทุกข์ยากลำบากใจพอเราไม่คิดแล้วความรู้สึกต่างๆมันก็จะหายไปแล้วมันจะเบาใจเราจะบายมันจะรู้สึกว่าเรื่องที่มันหนักอกหนักใจมันหายไปดังนั้นถ้าเราไม่มีขันติก็ต้องใช้สติปลุกมันขึ้นมาใช้พุทโธพุทโธปลุกขึ้นมาหรือถ้าใช้ปัญญาก็อย่างที่บอกว่าโอ๊ยปัญหาแค่นี้มันปัญหาปลอกกล้วยเข้าปาก หนักกว่านี้ยังไม่ตายถ้ายังไม่ถึงตายนี่ยังถือว่าปัญหายังไม่หนักแต่ว่าถึงแม้จะตายมันก็ไม่หนักเพราะเกิดมาไงก็ต้องตายกันทุกคนถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปปัญหาต่างๆนี้มันจะไม่หนักอกหนักใจที่มันหนักเพราะเราไม่อยากจะไปเจอมันท่านนี่อยากจะหนีจากมันพอหนีจากมันไม่ได้มันก็เลยมันก็เลยหนักอกหนักใจไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกําลังใจที่จะสู้กับมันอ เพราะฉะนั้นใช้สติใช้ปัญญามันถึงจะแก้ได้ถ้าไม่มีขันติคำถามต่อไปจากคุณนัทิดาครับถ้าจะสึกถ้าจะถือบวชเนขมาที่บ้านและสมาทานศีลเองที่บ้านได้ไหมเจ้าคะได้สมาทานที่ไหนก็ได้คือต้องรักษาให้ได้เท่านั้นเองแต่การถ้ารักษาที่บ้านกับที่วัดนี่มันอาจจะมีผลต่างกัน ถ้าที่บ้านถ้าเราอยู่กันหลายคนเดี๋ยวคนเขากินข้าวเย็นนี่มันก็จะมายั่วยวนกวนใจทําให้ตาบะแตกได้แต่ถ้าเราไปรักษาที่วัดนี่คนไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยกันมันก็จะไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจก็จะทําให้เรารักษาอศีลได้นั่นก็แล้วแต่แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่ได้ยุ่งกับใครก็ก็เหมือนกับอยู่วัานก็รักษาได้ คือสรุปแล้วก็รักษาได้จะยากจะง่ายก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมคำถามต่อไปจากคุณฐานครับขณะที่พระทุดงปรักกและไม่ได้เดินทุดงถ้าคารวะาประสงค์จะเข้าไปสนทนาธรรมควรปฏิบัติเช่นไรจึงจะเหมาะสมครับคือปกติถ้าพระท่านไปทุดงย่ไม่ไปปักที่ให้มีคารวะเข้าไปหาหรอกน <laughs> ่านจะไปปลักในป่าในเขาเลิก ถ้าท่านโดยธรรมเนียมพระธจ้าดงถ้าท่านไปปากกฎนี้ท่านจะปากอยู่ประมาณสองสามกิโลห่างจากหมู่บ้านไปสำหรับไปบิณฑบาตแต่ไม่อยู่ใกล้หมู่บ้านเพราะเดี๋ยวญาติโยมก็จะมารบกวนก็เลยต้องมีระยะทางจากหมู่บ้านประมาณสองสามกิโลดดวยกันเพื่อจะได้ยากต่อการที่ญาติโยมจะมาหาแล้วมาหาก็มีการกาหนดกติกาได้เช่นจะมาก็มาตอนเช้าเช่นใส่บาศเสร็จ จะตามมาเอาอาหารมาเพิ่มมาถวายก็มาตอนเช้าแล้วถ้าอยากจะสนทนาถรมถามปัญหาก็ถามในตอนนั้นได้มีเวลาให้แต่พอหลังจากเวลานั้นแล้วก็ต้องบอกเขาว่าต้องการจะปลีกวิเวทไม่ต้องการที่จ ะ, ะพบปะกับใครเพราะต้องการที่จะทำใจให้สงบอันนี้เราก็ต้องบอกเขาแต่ถ้าไปปากกแบบว่าเป็นเหมือนกับไปเปิดร้านอย่างนี้มันก็ มันไม่ได้เป็นการไปทุดดงนะมันการมันเป็นการไปทําทําการค้าเสียมากกว่าไปค้าขายอาจจะมีตะกุดอาจจะมีเครื่องรางของขลังจากญาติโยมญาติโยมก็มีประจงประจัยใส่ซองถวายให้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการทุดดงคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณขวัญจิตครับ เราควรนั่งสมาธิวันละกี่ครั้งนั่งครั้งละกี่นาทีคะออนั่งทั้งวันทั้งคืนเลยนั่งได้เท่าไหร่นั่งเข้าไปเลยเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนการขุดทองเวลาคุณขุดทองนี่คุณจะถามหรือเปล่าว่าจะขุดวันละกี่ครั้งดีคำ <c oughs> ถามต่อไปจากคุณนพลครับคำว่าจิตถอยออกมาเป็นอย่างไรครับคือการที่จิตถอยเรามีเจตนาถอยหรือว่ามันถอยออกเองโดยธรรมชาติครับ อ, อ๋อถ้าหมายถึงเวลาจิตเข้าสมาธิแล้วถอยออกมาก็คือมันก็ถอนออกมาจากความสงบที่ไม่คิดปรุงแต่งถอยออกมาเพื่อมาคิดปรุงแต่งมารับรู้เรื่องรางทางร่างกายมารู้เรื่องราวเหตุการณ์เขากลับมาอยู่ในสภาพปกติเวลานั่งสมาธิเหมือนเราอยู่ในสภาพนอนเป็นแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่ามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาเราตื่นก็เหมือนกับว่าเราออกจาก ออกจากการนอนแล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพของคนที่ตื่นมาทํางานทําการทําอะไรต่อไปก่อนที่นั่งสมาธิก็เหมือนคนนอนหลับแต่ไม่หลับตรงที่ว่ามีสติมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่พอจิตออกจากความสงบมาเริ่มคิดปรุงแต่งก็มารับรู้เรื่องของทางร่างกายเรื่องทางรูปเสียงกลิน่นนสก็กลับมาอยู่ตอนเหมือนกับตอนก่อนเข้าไปในสมาธิก็เรียกว่าการจิตถอนออกมาลรือถอยออกจากสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณรัศมีครับถ้าเราปฏิถ้าเราปฏิรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆแล้วศีลแปดที่ทําที่วัดยังจําเป็นอยู่หรือไม่คะคือศีลแปดนี่มีไว้สําหรับป้องกันไม่ให้เราไปทํากิจกรรมที่จะเสียเวลาต่อการปฏิบัติถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวเย็นไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกัน แต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะไปทับกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ก็จะทำให้เรามีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบคาถามต่อไปจากคุณชวนครับครอบครัวเราถูกกันแกล้งโดยบุคคลที่มีอำนาจมาโดยตลอดเหตุเพราะขาวต้องการโกงที่ดินเราทำให้เราทุกข์ใจมากต้องทำอย่างไรถึงจะปล่อยวางที่ทำให้หมดทุกข์ได้ก็คิดว่าที่ดินไม่ใช่ของเราครแล้วกัน ถ้ า, าออก็เอาไปได้ก็ให้ออก็เอาไปเราก็ไปหาที่อยู่ใหม่ก็ได้ไม่มีที่ดินก็ไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้หรือถ้าดีก็ไปบวชเลยก็ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเวลาเราไม่มีที่ดินไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วเราก็จะได้ไปบวชได้ไปบวชแล้วเราก็จะได้ทรัพย์ที่ไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้ได้อริยทรัพย์ได้มรรคผลนิพพาน เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าที่ดินตายไปเราก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีคำถามต่อไปจากคุณน้ํำพึ่งครับในคนที่นั่งปฏิบัติกับพื้นลําบากจะนั่งปฏิบัติบนเก้าอี้จะได้หรือไม่คะได้นั่งในท่าไหนก็ได้แต่ถ้าอยากจะปฏิบัติแบบมือที่ปฏิบัติมากๆนั่งนานๆ น, านี้ก็ต้องหัดนั่งขัดสมาธิจะดีกว่าเพราะจะนั่งได้นานนั่งได้สบายกว่า นั่งอนเก้าอี้เดี๋ยวสักพักมันก็อาจจะเอนได้เพราะว่าการนั่งในท่าแบบนั้นมันจะไม่มันไม่ใจไม่ไ ม, ไม่ไม่มีฐานรับมันอาจจะทําให้ร่างกายเอนไปข้างข้างใดข้างหนึ่งได้ง่ายกว่าแต่ถ้าปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นเอาแค่ครั้งละสิบห้านาทียีสิบนาทีนี้นั่งในท่าไหนก็ได้นั่งในแบบไหนก็ได้เดี๋ยวขอปัญหาอีกสักคำสองอีกข้ อ, ส อ, ขอสองข้อนะ ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับคำถามจากผู้ฝากถามครับมันเป็นบ่อยๆมากก่อนนอนเหมือนจิตมันไม่ปล่อยให้นอนแต่จำเป็นต้องนอนเพราะทำงานประจำแสดงว่าเขาบอกให้ปฏิบัติหรือเปล่าคะก็ไม่แน่หรอกบางทีจิตมันก็อยากจะไม่นอนขึ้นมามันก็ไม่นอนขึ้นมาถ้าไม่นอนก็อย่าไปบังคับมันอย่าไปอยากยิ่งอยากให้มันนอนมันยิ่งนอนไม่หลับใหญ่ถ้ามันไม่นอนก็ลุกขึ้นมาทาอะไรก็ได้ถ้าเรา มีงานทําก็ทํางานไปถ้าไม่มีงานทําถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิไปถ้ามองในทางปฏิบัติมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์การไม่ง่วงนอนนี่มันดีมันเป็นประโยชน์กว่าการง่วงนอนผู้ปฏิบัติธรรมมักจะเจอปัญหาคือมักจะง่วงนอนกันดังนั้นถ้าเราไม่ง่วงนอนก็ถือว่าเราได้เทวดาได้บุญมาช่วยเราทําให้เราไม่ง่วงนอนทําให้เรามีเวลาปฏิบัติก็รีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิไปเลยะ นะถ้านั่งไปจริงๆเดี๋ยวสักพักพอมันจะสงบมันก็จะหลับไปเองมันจะง่วงไปเองเอาแค่นี้ก่อนดีไหม<ะ>นะเพราะว่าก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วล<ะ>ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพ จ, จิตติารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด